ขอความสุขความเจริญจุงมีดตท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมกาลังนำเสนอประวัติพระราชปาระหรือพระรัฐบาลก็อยู่ในช่วงที่โยมพ่อโยมแม่ได้ดิมุนท่านไปฉันในบ้านในวันรุ่งขึ้น แล้วก็พยายามล่อลอกด้วยวิธีการต่งางๆในรูปของการกล่อมให้พระเทราสึกออกมาเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งก็ตกแต่งอดีตปัญญาของท่านก็าเห็นกันว่าสวยงามตามกระแสของสาวโลกแล้เธอก็มาสอบถามพระเทราว่า นางอภระณ์ที่พระลูกเจ้าปรารถนานั้นสวยงามมากหรือประเทเราก็อธิบายให้เห็นถึงความปฏิกูลน่าเกลียดของร่างกายใน ร, รูปแบบต่างๆในแนวของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นเอง จากนั้นเธอก็เริ่มโยโยนด้วยวิธีการต่างๆก็เรียกว่าใช้มายาหญิงเต็มที่ซึ่งพระเถทวท่านอุปมาว่ามันเหมือนกับการดักเนื้อคือวิธีการเนี่มันเป็นวิธีการของการดักเหนื้อโดยท่านอธิบายว่า เมื่อนายพรานเนื่อดักบ่วงมีคันไว้เพื่อต้องการจะค่าเนื้อจึงนําเหยื่อไปวางไว้ที่บ่วงแล้วก็แอบซุ่มดูอยู่เนื้อตัวน่งในป่านั้นเป็นสัตว์ที่ฉลาดเพื่อพร้อมด้วยเศร้าไหวปัญญาและความพยายามเคี้ยวกินเหยื่อนั้นอย่างสบายโดยไม่กระทบบ่วงเลยเมื่อทราบ เมื่อในพารานเนื้อรู้ตัวว่าเนื้อหลอกเราเสียแล้วจึงร้องตวา่าขึ้นมันก็ได้หนีไปเสียเมื่ออีกตัหนึ่งมีกําลังแข็งแรงฉลาดเพื่อพร้อมด้วยเชารูปัญญาเหมือนกันไป ใ, ในที่นั้นแล้วก็เที่ยวกินเหยือ่อทําบ่วงในที่นั้นนั้นให้เสียหายไปแล้วเมื่อพารานนื้อ รู้ตัวว่าถูกหลอกอีกแล้วก็ทำบวงให้เสียหายไปแล้วจึงเศร้าโศกอยู่มันก็ดนีไปเสียอาตมาก็ฉันนั่เหมือนกันแต่ก็บอกว่าอาตมาก็ฉันนั่นเหมือนกันแหละเมื่อก่อนคือเมื่อเวลาที่ยังเป็นปุถุชนได้ใช้สอนพวกกสสมบัติที่โยมารดาบิดาให้ไว้เพื่อให้ยึดติดไว้ ก็ไม่ยอมยึดติดอยู่ในพวกสมบัตินั้นจึงออกไปเสียเดี๋ยวนี้อาตมาก็ตัดกิเลสได้อย่างเด็ดขาดเป็นผู้ไม่มีบ่วงอยู่สารอาหารที่โยมพ่อโยมแม่ถวายเหล่านั้นแล้วเมื่อท่านทั้งสองนั้นเศร้าโศกอยู่อัตามาก็จะไปคือแสดงอุปมาสองแนวแนวหนึ่งคือเนื้อนังกระฉลาด การู้อะไรเป็นบ่วงอะไรเป็นอาหารก็กินเฉพาะอาหารโดยไม่ไปกระทบที่บ่วงเติมเนยตัวหนึ่งแข็งแรงด้วยฉลาดด้วยมีเชาวัไห ว, ไวพริบปฏิภาณด้วยแล้วก็มีกำลังด้วยทำลายบ่วงซะเลยทำลายบ่วงซะก่อนแล้วก็กินอาหารที่นายพรานออกมาดักไว้ถึงสองสามครั้ง แกทรวยลายบวงหมดแล้วกินอาหารหมดแล้วแกก็หลีกไปพระเทรากูประมาว่าท่านเองก็เหมือนกันสมัยเป็นคาราวานั้นอยู่พ่ออยู่แม่ก็พยายามปลนปลือด้วยสมบัติด้วยพิธีการตา่างๆหวังให้สยบติดกําหนัดเปรื่นอยู่กับลกที่จสมบัติแต่เวลานี้มันไม่เหมือนกัน เกลือตมาได้ออกบวชแล้วแล้วก็ทำลายกิเลสหมดสิ้นไปแล้วส่วนบวงอะไรอะไรของโยมพ่ออยู่แม่ก็ดักไว้ไม่ได้มาฉันเสร็จก็จะต้องขอลาไปแม้พระท่านจะร้องให้เศร้าโศกเสียใจด้วยวิธีการต่างๆก็ตามก็ต้องขอลาไปประเทพราแสดงโยมแม่ทำเหมือนกับพรานเรือ แสดงเงินทองและคนในบ้านทำให้เป็นเหมือนบ่วงแสดงพวกกระสมบาิที่ตนใช้ส้อยเมื่อกอดและอาหารที่ตนฉันอยู่เดี๋ยวนี้ทำให้เป็นเหมือนหญ้าคือเหยื่อแด่แสดงตนเองทำให้เป็นเหมือนพยานเนื้อยอย่างนี้แม่ท่านท่านกล่าวคาถาเหล่านี้แล้วได้เหาะขึ้นไปในเวหาไปนั่งดูที่แผ่นหินน้่เป็นมงคลที่ มีขาชินราชอุทยานของพระเจ้าโกรพยาธิพระเจ้าโกรพยาธะได้ทราบว่าก่อนหน้านั้นหรือก่อนหน้านั้นโยมพ่อโยมแม่ก็สั่งปิดประตูใส่ด่านหมดเลยแล้วก็ให้คนที่มีกำลังเรียบแรงประเภทที่เรียกว่าเป็นมวยปล้ำยืงขวางประตูเอาไว้ ไม่ยอมให้พระเทระออกไปจากบ้านแล้วก็ออกคำสั่งเลยว่าจับสึกได้แล้วเาผ้าขาวเปลี่ยนไม่ได้แล้วให้อยู่ในบ้านเนี่ยโยมพ่อโยมแม่ก็ไม่ยอมทำใจเริ่มใสอะไรเลยนะี่คือตรงนี้ถ้าเราเข้าใจความจริงว่าคนเราจะเป็นพระหรือว่าเป็นฆราวาสมันก็ต้องตายอยู่ดีนั่นแหละ แล้วเขาจริงก็ไม่รู้ใครจะตายก่อนลูกชายจะตายก่อนพ่อแม่จะตายทีหลังก็ได้ปัญญาจะตายไปก่อนหรือปัญญาจะตายทีหลังสามีจะตายไปก่อนก็ได้แปลว่าการที่ยึดติดในโลกียสมบัติตามปกติแล้วมักจะยึดติดในความเป็นกลัวตนและความเป็นของเที่ยงแท้ย่างยืน เพราะเราจึงต้องเศร้าโศกเสียใจเวลาทรัพ์สมบัติเราเสียหายไปโดยสิ่งทงหลายที่น่าดไปตรงการหวังให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นมันก็ไม่ยอมเป็นสักทีไม่ยอมเป็นตามีตัวต้องการดังนั้นการความคิดของพ่อแม่กับลูกนี่เราเห็นว่าเป็นพ่อแม่ลูกกันจริงแนหะ แต่พ่อแม่นั้นมองสังขารเป็นของเที่ยงตติระมองสังขารเป็นของไม่เที่ยงทีนี้การมองสังขารเป็นของเที่ยงเนี่ยที่จริงมันเป็นวิปลาสเป็การเห็นที่มองคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงแต่ถ้ามองเห็นสังขารตามความเป็นจริงว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปธรรมดาของมันก็เป็นอย่างนั้นเอง จิตใจก็ไม่คาดหวังอะไรหรอกแต่เราลองย้อนกลับไปว่าขนาดลูกยอมจะอดอาหารตายแกก็ไม่ยอมให้บวช ด, ดีที่เพื่อนเพื่อนเนี่ยมาขอร้องเอาไว้ออแล้วก็ยอมให้บวชเดีตยความปักใจที่จะบังคับให้ลูกศึกมันยังไม่ยอมผ่อนคลาย ตรงนี้ต้องพ่อต้องแม่นะะตามปกติแล้วพ่อจะไม่แคแรลงแม่มัก แ, แรงอย่างแม่ของพระสุนทรสมุทรก็คือแม่คือพ่อไม่ค่อยไม่ไม่ได้ปรากฏบทบาทอะไรแสดงเรื่องการเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตมีความสําคัญมากคนเราเกิดมาเหมือนกันจึงเกิดมาเป็นคนเหมือนกันแต่ว่าความคิดไม่เหมือนกัน ีนี้เมื่อพระเทาตานาทางออกไม่ได้ท่านก็ไปแบบพระสุทธรสมุทรนั่นละพระสุทธรสมุทรนั้นบรรลุอรหัตปั๊บไปปุ๊บเลยแต่ว่ารัตบาลานั้นท่านเป็นพระหันอยู่แล้วเมื่อถูกบังคับขนาดนั้นท่านก็ต้องเอาลอยขึ้นไปบนอากาศ แล้วก็ไปพักอยู่ที่ก้อนหินก้อนหนึ่งนืตยานของพระเจ้าแผ่นดินที่ชื่อว่าโกรับพญาพระเจ้าโกรับพยาทรงทราบว่าพระเทระนั่งอยู่ในอุทยานของพระองค์จึงเสด็จเข้าไปเยี่ยมแต่ทรงสนทนาปราศัยกับพระเทระเพรพอให้บันเทิงใจพอให้ระลึกถึงกันแล้วก็สอบถามว่า พระกุณฑลรัฐบาลในโลกนี้คนที่ออกบวชส่วนมากจะต้องเป็นคนที่ประสบความเสื่อมเพราะความป่วยหรือประสบความเสื่อมเพราะชราความเสื่อมเพราะพวกประสมบัติความเสื่อมเพราะญาติจึงออกบวชไม่ใช่หรือแต่พระกุณ้ายังไม่ได้ประสบความเสื่อมอะไรอะไ ร, ะไรสักอย่างเลยทำไมจึงออกบวชละ่ะ นี่คือเป็นภาพที่เป็นการมองถ้าเรามองในแง่ของความจริงแล้วความเสื่อมเหล่านี้แหละมันโอกาสที่จะให้เป็นคนออกบวชนี่ก็ยากเพราะว่าการบวชนั้นจะต้องต่อสู้กับอารมณ์ภายในโดยเฉพาะอ ย, อย่างยิ่งก็คือการมราคะาลภพโตสมโมหะนั่นเอง เราต้องมีการมาคับฝืนใจตัวเองแต่ไม่เข้มแข็งจริงๆก็ออกไม่ได้ถ้าถามว่ามีไหมประเภทนี้มันก็มีอยู่บ้างแหละแต่ไม่ใช่จำนวนมากยิงแต่ว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะบวดเพราะว่าปวยไข้ ต้องการจะรักษาโรคมันก็มีสมัยพระพุทธเจ้าก็มีเหตุที่ทรงมัญญติการบวชของคนบางประเภทเอาไว้ก็เรียกว่าบรรพชาโทษเนี่ยมันก็มีเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่หรือชรามากเกินไปเนี่ยตามปกติพี่นัยก็ไม่บวชทีนี้เพราะเสื่อมพว ก, กสมบัติ ปัญหาว่าท่านจะเกิดสังเวทขนาดไหนล่ะ เ, เกิดสังเวทสลดจิตเห็นว่าพระสมบัติมันก็เสียไปก็เป็นเรื่องธรรมดาต่อมาเราหาม า, มาได้มันก็เสียคืนไปเป็นของไม่เชื่องแท้ยั่งยืนเพราะงั้นก็กระชิงใจออกบวชหรือว่าเสือมยาก แต่ไม่มีญาติเลยเนี่ยเรี่กว่าคนอนาถาหาที่พึ่งไม่ได้เลยก็โอกาสจะมีแต่ว่าส่วนใหญ่ท่านจะกลับเมื่อกลับตัวทีหลังคือไปตั้งหลักทีหลั ง, งรลเราจริงเพราะพระเราต้องยุคๆุสมัยมันก็มีพู้เหล่านี้ปวนอยู่เพียงแต่ว่าไม่ใช่จำนวนมากแต่ว่าบางท่านก็ ลายเป็นทางของท่านคือหมายความว่าคล้ายๆก็มีเส้นทางที่กาหนดไว้แล้วท่านจะต้องไปทางนี้แหละแทางอื่นก็จะเอาดีไม่ได้แล้วท่านก็เลือกไปทางนี้พระรัตบาลและศีลละก็ได้ถวายพระพรด้วการที่ตนชอบความ สงบเรียบร้อยแล้วก็แสดงก็เรียกว่าธรรมมุทเทศธรรมมุทเทศก็คือองค์แห่งธรรมเป็นสัจธรรมที่เป็นจริงไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น่านแสดงครั้งแรกนสี่ข้อแล้วขยายรวมไปทั้งหมดก็เป็นหเป็นแปดข้อส0 สิบข้อนะรรวมสิบข้อไปข้อแรกโลกคือหมูสัตว์อันธพานําเข้าไปใกล้ไม่ยั้งหยุดมีเรืงของแน่นอนว่าชีวิตเนี่ยมันมีความเลื่อนไหลอ ย, อยู่ไม่อยู่แน่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีการเปลี่ยนแปลงมีการแปรปวน ไม่คงที่ไม่ยั่งยืนจะเป็นชีวิตของผู้หญิงผู้ชายจะเป็นคนรวยคนจนจะเป็นใครก็ตามในแต่ธรรมชาติทั้งหลายมันก็ตกตุลในกฎโลกไม่มีผู้ต้านทานแล้วก็ไม่เป็นใหญ่เฉพาะตอน เราอาจจะมีความรู้สึกว่าสิ่งนั้นของเราของเราสิ่งนี้ของเราของเราสิ่งนั้นของเราของเราแต่ก็จริงแล้วเราก็ไม่เป็นเจ้าของสิ่งนั้นสิ่งนั้นเองก็ไม่รู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของนั้นเราเองอาจจะรู้สึกแ่ะเราเองก็รู้สึกแเพราะเราไม่เข้าถึงความจิตเราไม่ีความคิดเรมีจิตใจที่ถูกปรุงแต่ง โหน้าของกิเลสทั้งหลายแต่ว่าสิ่งทั้งหลายนั้นมันไม่มีจิตใจมันก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นอะไรของใครอย่างไรเดี๋ยวก็โลกไม่มีอะไรเป็นของคนงตนจะต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปอะไรก็ไม่รู้ทรัพย์จริงคานอย่างไรก็ไม่รู้แก้แวแหวนเงินทองอย่างไรก็ไม่ถูก บุพัญญาสามีทรัพย์สมบัติต่างๆก็ตกอยู่ในสภาพาเดียวกันไม่มีอะไรที่มันเป็นของเราจริงๆทุกคนจะต้องลาถิเขาจากเราไปก่อดหรือเราจะเขาไปก่อนไม่รู้แต่ว่าการพากจากนั้นเป็นนิรัน ในความมพสิ่ง์จะต้องมีการขากตาดไม่สามารถจะดำรงคงอยู่อย่างยั่งยืนถาวรได้แต่ที่สำคัญ ย, ยิ่งก็คือโลรคพลัองอยู่เป็นนิดรู้จักินเป็นธาคของปัญหารับใช้สนองปัญหากันจ๊อกๆ๊ๆ๊๊๊หามรุ่งหามค่ำทำงานกันหามรุ่ง แล้วก็กำ ม, มือมาแล้วก็แบ่ ม, มือไปเราไม่ได้เอาอะไรไปแล้วก็ไม่มีอะไรติดตัวเราไปนอกจากความดีกับความชั่วเท่านั้นเองดังนั้นพระเถรซจึงไดขยย้ขยายขยายธรรมุเทศสี่ประการออกเป็นประเด็นประเด็นไปอีกทีหนึ่งว่า นตมาภาพเห็นมนุษย์ทั้งหลายผู้มีทรัพย์สมบัติในโลกได้ทรัพย์มาแล้วไม่ยอมให้ทางเพราะความรุ่มหลงคนโลกย่อมทําการสะสมแต่ทรัพย์สมบัติทั้งปรารถนาการทั้งหลายยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแล้วก็ยิ่งขึ้นคือบางครั้งมางคราร์อายุเราก็เยอะแล้วเราจะอยู่ครอบครองได้สักกี่วัน แต่ว่าการแสวงหาพวกวัตถุ ก, การทั้งหลายการแสวงหาทรัพสมบัติทั้งหลายในโลกได้ทรัพมาแล้วก็ไม่มองเห็นความแตกต่างระหว่างการให้กับการยึดกลุ่มเอาไว้เพราะตามปกติแล้วการให้ก็คือการสะสมความดี ที่สามารถเป็นเสบียงเลี้ยงตนไปในสัมปาราจะพบได้แต่การนิดกุมเอาไว้มันก็เป็นของสาธารณะแต่คนทั้งหลายมันหลุจากไปเราลองสังเกตว่าโลกเนี่ยเวลาหัวหน้าครอบครัวตายลง ลูกหลานวงวานว่านเครือก็รือแย่งทรัพย์สมบัติกันก่อนหน้านั้นเมื่อพ่อหรือแม่ป่วยหนักจะตายลูกก็เตรียมแผนที่จะครอบครองทรัพย์สมบัตไิได้มากที่สุดจนถึงก็มีการแย่งมรดกกันแล้วก็อาจจะมีการฆ่า ก, กันดนสัมพัน ผู้ฆ่าเองก็ตกนรกไฟผู้ถูกฆ่าเองก็ตายเร็วขึ้นแต่สรุปก็ทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้ครอบครองทรัพย์สมบัติด้วยกันจากลงนี้ไปได้วยมือที่ว่างเปล่าท่าเล่าว่าราชาผู้ทรงกดขี่เอาชนะเขาได้ตลอดแผ่นดิน นี่เป็นการมองที่ชัดนะฮะจะเห็นว่าการที่มีกองทัพอะไรตีดรบราฆ่าฟันกันอยู่ในปัจจุบันแน่นอนการพูดสมัยของพระเทระมันเป็นยุคสมัยที่ประครองด้วยระบบราชาติปไตยราชาก็เป็นผู้นํากองทัพเป็นผู้นําทัพเป็นจอมทัพเป็นแม่ทัพก็ เ, เรียกว่าเป็นเองแล้วหมด เขาใช้วิธีการต่างๆแล้วก็ไม่อื่นไปจากการผิดศีลห้เพื่อทำลายล้างชีวิตคนที่รู้สึกเป็นศัตรูแล้วก็ยึดกลุ่มเอาทรัพย์สินของเขามาเป็นของตนเองแจกจ่ายกันในหมู่พวกของตราเองส่วนหนึ่งก็ ยึดก็เป็นสบัติของแผ่นดินตัวเองคัหนึ่งก็แจกแบ่งในหมู่ทหารทั้งหลายแล้วก็ต้องสามารถครอบครองทรัพย์สินคารอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยตีใช่ไว่า มีทะเลเป็นที่สุดอะ่ะไปถึงทะเลแล้วยังอยากได้ต่ออย่างเลลิซันเดอร์มาราชของมาซิโดเนียเนี่ยลุยมาตั้งหลายปีนะจนมาถึงประเทศอินเดียมองเห็นทะเลท่านก็คิดว่าหมดแผ่นดินที่จะยิดครองแล้วก็ร้องหบร้องให้เสียใจ ว่าไม่มีแผ่นดินที่ยึดครองเน้่ทหารมันก็เหงาเพราะ ว, าว่ายุคสมัยตรงนั้นไม่ใช่ขนพาอะไรไปได้ไง่ายๆสัพสมบัติที่ยึดครองของคนอื่นก็ลำบากในการขนพาลำบากในการรักษาทิ้งครอบครัวพ่อแม่ลูกบุดพัญญาเอาไว้ ในสิทธ์ในพิสูจน์ทหารก็เดือไม่ยอมเดินทับท่านก็แยกก็เป็นสองกองทัพฝ่ายหนึ่งไปทางเรือท่านไปทางเรือแล้วก็ไปที่องโคติบาบิโลนแต่โดนออกกลางแล้วก็ม่ทัพในกองส่วนหนึ่งก็ยึดครองประเทศเหล่านั้นกลายเป็นจั ก, กรวรรดิอยูระยะหนึ่ง โดยสุดก็รบลาเข้าฟันกันในหมู่เพื่อนคู่สุดด้วยกันแย่งความเป็นเจ้าเป็นใหญ่กันก็สะสมกันมายืดยาวนานพอสมควรตัวอย่างเหล่านี้จริงในประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็มีเห็นเยอะแยะแต่เราก็ไม่ได้ใส่ใจ ที่จะยึดถือเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างาเราคุ้มทำไปก็อย่างนี้แหละเสร็จแล้วก็นำต่บาปไปก็มีการประพฤติผิดเรื่องการเมศสุนิชาจาย์ในกรณีกองทัพจะเยอะมากแบบโกหกนั้นไม่ต้องพูดนะนะ อย่างในปัจจุบันนี้เห็นได้ชัดเลยว่าแถลงข่าวสงครามทุกวันโกหกทุกวันตั้งตัวแม่ทัพตั้งตัวผู้ศก ข, ของทัพก็แถลงข่าวอดีใส่ตัวชั่วใส่คนอื่นทำบาปกันจังทำบาปกันจังกว่าจะตายไปชาติหนึ่ง แต่นี่นก็คือโลกแหละโลกมันก็เป็นข้ามันอย่างนี้คือการมองของพระเทวะเราจะเห็นว่าเป็นการมองที่ชัดเจนโรกกษัตริย์ยึดครองอย่างนั้นก็ไม่ได้ส่งอินเพียงฝั่งนี้หรือฝั่งไหนยึดครองฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วก็อยากได้ฝั่งหนึ่ง ก็ปราถนาความโน้นไปเรื่อยๆพวกจึงคิดขานพวกกุ๊บไลคานพวกอะไรล่ะรงคามโลกครั้งที่สองฮิตเลอร์ยี่ยยปไปหมดเลยนะทำไมนโปเลียนอะไรก็มหมหมนึ่งกันคนเหล่านี้มีชีวิตเดินลุยไปบนซากศพของคนจำนวนมาก มันจะเป็นอะไรก็ช่างแหละแต่ว่า บ, บาปกรรมนั้นท่านจะต้องรับผิดชอบประการต่อไปก็รับสั่งว่าพระราชาและมนุษย์เหล่าอื่นเป็นนั้นมากมิยังไม่สิ้นความสยานอยากมีผู้กับพระราชาโดยตรงเกรับสั่งตอบระพักพระเจ้าโกรับพยาเลย แล้วก็ยกตัวอย่างพระราช า, ากับคนทั้งหลายเหมือนกันั น, นัใครก็ตามตราบใดที่ยังไม่สิ้นความทยานอยากหมายความยังต้องตกเป็นทาสของปัญหาอย่างแอตัณหาอย่างรับใช้ตัณหาอยู่แล้วนี้คือก็ต้องตายก็ตายก็ตาย อาจิโมมาคยมเป็นนักปราศของอิราดนะฮนะ้ แ, ะแต่หนังสือชื่อรูปใบยาาเป็นคำพีนะฮะเป็นคำภีคาสอนที่ถือว่าท่านจะเป็นอิสลามหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าเป็นคนยุคไหนนะี่ยังไม่ได้อ่านรายละเอียดยังไม่เคยอ่านหนังสือของท่าน แล้วก็พบครั้งเดียวก็อ่านครั้งเดียวแต่ก็ไม่ทันจบหรอกหนังสือก็หายไปไหนเนขาพูดถึงรถแต่งดนตรีทั้งหลายมีประโยคหนึ่งที่จ่านเรียกว่ารถขำขันคือมันขำขันความคิดปรามายของโลกมนุษย์นี่น่าขัน ฉันบอกว่าหมาโจรเที่ยวก้นฆ่าหมาชนดาวบาทราชทันกนปราบป้องมาราชญาติพหนุนพระจรมหาราชและพ่อชมชะกาศราชเด็ ก, ก้องเกียรติกรนนั้นขนันมามันเป็นการถูกผลักใสเสือกใส่ขับใสให้แล่นไปด้วยหน้าท้ปัญหามานาธิจิ มนมีอยู่ภายในใ จ, จิตใจของคนสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็เป็นกองทัพกลุ่มหนึ่งเป็นกองโจรพฤติกรรมเหมือนกันเดียแหละกองโจรล้างผลาญทำลายล้างได้น้อยกว่ากองทัพนั้นทำลายล้างได้มหาศาลแต่ว่ากองทัพกลายเป็นวีรกรรมกองโจรเป็นทุรชนในขณะที่ ก็อนถ้าเป็นวีรชนท่านถามว่าขำไหมยวามคิดอย่างนี้ขำหรือเปล่านั้นหมายความมามองในฐานะที่เป็นนักปรัชญานักศาสนาเนี่ยเขาจะมองที่เข้าแก่นความจริงซึ่งยากที่คนทั่วไปจะมองได้แม้คน น, นั้นจะอยู่ในรูปแบบโครงสร้างของนักการศาสนาอะไรก็ตาม เพราะว่ามันเป็นการมองจากบุธิภาวะที่สูงมีสติมีปัญญามีเหตุผลในระบบการคิดการตัดสินใจการมินิจัยเรื่องเหล่านั้นแล้วท่านบอกว่าย่อมต้องทิ้งร่างกายไปทั้งๆ ท, ที่ยังคล่องอยู่วิอกิเลสยังคล่องอยู่ ใจก็ยังพร่องอยู่ไม่รู้จกพอไม่รู้จักเต็ ม, มรู้จักอิ่มไม่รู้จักหยุดอย่างดิ้นรนต้องการแสวงหายอยู่อ้าวตายเสร็จแล้วความอิ่มด้วยการทั้งหลายจิตนี่การไม่ได้ใช้วิธีการตอบสนองเราจะอิ่มการจะต้องมีการลดละบันเทามาัน ผู้เจ้าคงทรงใช้กับมาให้ชักสะพานสี่คือไปต่อสะพานไม่ได้ต่อขนาดปรงเองก็ต้องทิ้งพระเทวีแหละคือต้องหนีเข้าป่าแหละคนมีฐานะมั่งคังร่ำรวยทั้งหลายในสมัยพุทธกาลเช่นประมาสาวกผู้ใหญ่เป็นจำนวนมากเช่นภาษาริบุตมโตมกัลลานาะเป็นตน้นมีทรับถึงร้อยหกสิบ มาสารนาะแต่ท่านไม่พอใจยินดีเลยแล้วมันไปกันหมดทั้งครอบครัวยกเว้นแต่แม่แม่เพิ่งกลับใจได้ทีหลังเพิ่งคิดได้ทีหลังเมื่อประสาริบุตรนิพานแล้วก็แสดงว่าแม่ก็อายุต้องแก่เยอะแล้วเพิ่งคิดได้แล้วก็ได้ฟังธรรมในสำนักประสาริบุตรแล้วก็บรรลุพระผลเป็นเปโสดาบัน ก็ยิ้ในกาลทั้งหลายไม่มีในโลกไม่ว่าในโลกไหนก็ตามนั้นถ้ามันยังเป็นโลกอยู่ความวยิ้มใกาลทั้งหลายไม่มีโดยเฉพาะยิ่งยิ่งคือกาลมรรคแต่แต่ว่าโลกโครมาโลกมันก็คือการแหละยิงแต่ว่ามันประนี่ขึ้นเท่านั้นท่านก็ยังไม่ยิ้มด้วยความสุขที่สเสวยในทิพยสมบัติเหล่านั้น ราอต่อไปทั้งกต่ว่าอันหงญาติทั้งหลายพากาันสยายผมค้ำควรถึงผู้นั้นว่าโถเอ๋ยมาตายเสีแล้วหนอดังนี้พรามเอาผ้าห่อเขานำไปยกขึ้นสู่เชิงตะก่อนแต่นั้นก็เผากันเราก็เผากันทุกวันงานศพต่างๆโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมีงานผกเผาศพทุกวัน บางวัดที่มีศาลามากๆในวันมันั็สองสามศพก็ก็เผากันได้ทีนี้เชิงตะกรอนมาพัฒนาไปหนึ่งชั่วโมงก็หนึ่งศพเดี๋ยวก็ใจต่ออบต่อไปนี้จะเร็วกันนั้นนะแต่ว่าพื้นที่ที่จะสร้างเมนเนี่ยมันน้อยลงแต่ว่าคนมันเพิ่มขึ้น การที่ผมเกินคนเพิ่มขึ้นก็แสดงว่าตายเพิ่มขึ้นตายมากขึ้นความคิดคนที่จะขจัดปัญหาพวกมลพิษทั้งหลายที่เกี่ยวกับซากศพเนี่ยมลพิษซะด้วยถมันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาธรรมดาในตอนต่อไปท่านบอกว่าผู้นั้นถูกขเขาเผา ถูกแทงด้วยหลาวอยู่ละพวกสมบัติไปมีเพียงผ้าพื้นเดียวไม่ว่าญาติไม่ว่ามิตรไม่ว่าสหายทั้งหลายที่จะเป็นผู้ต้านทานเขาผู้ตายไปไว้ได้ไม่มีเลยสมบัติอะไรก็เยอะญาติพี่น้องก็เยอะบริษัทบริวารก็เยอะแต่ก็ใครก็ไม่สามารถที่จะป้องกัน บุคคลเหล่านั้นจากความตายได้ให้ลองสังเกตว่าข้อความที่พระพิระนํากราวเนี่ยเป็นข้อความธรรมดาธรรมดาม้ความเราก็พบเห็นกันอยู่ในชีวิตประจำวันแต่การแทงด้วยหลาด้วยแหลนด้วยไม้อะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นการเผาศพบแบบโบราณเผาศพบแบบอินเดียทุกวันก็ยังเผาในแนวนั้นกัน ต้งหมายความปักไม้ขันสี่เสาเอาไม้วางข้างล่างเอาศบบางตรงกลางแล้วไม้วางข้างบนแล้วก็จุดไฟอย่างที่ท่าอัโซเมตในประเทศดินเดียที่เมืองพารณนาสีเขาก็ยิงมันทีมก็เผาลูกด้วงแล้วก็โยนลงไปในแม่น้ำคงคา เราให้เป็นอาหารของสัตว์ไปเกือหน้าผูพังไปก็เป็นกันมาอย่างนี้ตั้งแต่โบราณกาลสมัยไหนก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่ามันโบราณกาลมากมากถ้าเรานี้มองในสายตาของนักราช์มันเป็นสั จ, จะความจริงที่บอกกล่าวเราสสะ ว่าเธอเองก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ใครจะล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปไม่มีเลยหมายความมาเกิดเมื่อกี่คนก็ตายเท่านั้นแหละดูถ้าเราคิดบัญญัติบัญญัตบ้างนะเอาเป็นว่าทํายังไงทําบาปไปน้อยลงหน่อย อย่างไม่ต้องพูดถึงมรรคผลนิพพานะทำบาปไปน้อยลงหน่อยอย่าไ่รุนแรงเกินไป จ, จิตใจไม่ได้หมกมุ่นด้วยการมราคะด้วยตัณหาด้วยโดยพระด้วยอิทยาด้วยริษยาด้วยแข่งดีด้วยเบียดเบียนยแบ่งฝักแบ่งฝ่ายรบ ก, กันเองมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้น มันมีการเพิ่มบาปเพิ่มเบญเพิ่มภัยเพิ่มอันตรายในปัจจุบันแล้วก็เป็นการสะสมบาปให้แก่ขันซึ่งจะเกิดด้วยกรรมพลังของกิเลสกรรมเนโยวกานต่อไปการประจับแยกแบ่งแยกไปตามแรงของกรรมที่คนเหล่านั้นได้กระทำเอาไว้ เพราะเราจะเห็นว่าโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีผู้ต้านทานไม่มีผู้ป้องกันไม่ได้เป็นใหญ่เฉพาะตนจริงๆแล้วท่านก็บอกว่าเราพายาทของเขาก็พากันขนอศทรัพย์ของเขาไปส่วนผู้นั้นก็ไปตามการรมที่ทำไว้ ทรัพย์อะไรอะไรย่อมไม่มีติดตามตนคนตายไปได้เลยไม่ว่าบุตรไม่ว่าพัญญาไม่ว่าทรัพย์รวมถึงแห ว, วนแหวนก็ติดตามไปไม่ได้นี่ก็เตือนพระเจ้าควรรับพญาด้วยนะบอกก็จริงแห ว, วนแหวนพระองค์ก็เอาไปไม่ได้หรือก็สนิทสนมกันมาก่อนกับพระเจ้าโควรรับพญาเราจะเห็นว่า กนาารู้ว่าพระรัตปาลมาเนี่ยท่านต้องมาเฝ้าท่านต้องมามาเยี่ยมท่านไม่ได้ไปที่วังแต่ว่าพระราชาสเสด็จมาเยี่ยมที่เนินเขาแล้วท่านก็บอกว่าคนเราจะได้อายุยืนเพราะทรัพย์ก็หาไม่จะละความแก่ได้ก็เพราะทรัพย์ก็หาไม่นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่า ชีวิตนี้สั่นนักไม่เที่ยงมีความแปรเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาเราเห็นว่าไอ้เจตุรพิธพพรนั้งสี่ประการที่เราว่ายุวนาสุขลานเราก็ปรารถนาการดูวิธีการนั้นมามันอาจจะเป็นปัจจัยได้แต่มันเป็นเองไม่ได้ หมายความมาปัจจัยอายุยืนเนี่ยก็ได้เช่นทำบุญให้ทานาสงเคราะห์ช่วยชีวิตสัตว์บำเพ็ญกุศลดุลกรรต่างๆเนี่ยก็อาจจะได้แต่ว่าไอ้ตัวทรัพย์เองไม่ได้ช่วยอายุยืนอาจจะช่วยอยุสั้นไปสั้าไปแล้วก็จะลากความแก่ เ, เออเรามีทรัพย์สมบัติเยอะ เราจะใช้ทรัพย์เนี่ยทำให้เราไม่ต้องแก่ก็ยังนึกว่าแนวนี้แนวที่เขาคิดกันด้วยวิธีการต่างๆคือมนุษย์ก็พยายามที่จะคิดฝืนธรรมชาติฝืนธรรมชาติกันด้วยวิธีการต่างๆมีการซ่อมอวัยวะที่บกพร่องไปส่วนใดส่วนหนึ่ง สร้างขึ้นมาแล้วก็ซ่อมเป็นความฝันก็เรียกว่าความฝันกันมานานพอสมควรแต่มันก็คือตายอ่ะคือคนสุดต้ายก็สืตายต่อให้ตายไปธรรมดาก็สังขารนี่กว่าตัวแข็งขืนไปมันก็เท่านั้นเองไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาอะไรขึ้นมาได้ตายก็ตายก็เกิดมาเพื่อจะตายนี่ยนะ เราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะอยู่โดยซ้ำไปแต่ที่จริงเราเกิดมาเพื่อจะตายนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าชีวิตมีสั้นนะคือสั้นเนื่องจากมัน ด, ดำรงอยู่เป็นขณะขณะนั่นอย่างนไรขณะเกิดขณะตั้งอยู่ขณะ ด, ดับนี่มันขี่ซอยทีเย็บไปเลยแล้วมันก็พร้อมที่จะดับ จะดับเมื่อไรดับที่ไหนดับอย่างไรดับโดยวิธีใดไม่มีใครหาคาตอบได้แต่ดับแน่ีนวิตจะต้องแตกดับแน่นอนการที่เราเรดิ้นรนขวนขวายหาอะไรล่ะเกีย่ยวกหมูตันบ้างหน้าผากเสือบ้างอะไรต่อไม่อไรต่างๆแต่สัตว์นั้นมันตายแล้วตองนั้นแกไม่ได้คิด แต่ถ้ามันข็งศักดิ์สิทธิ์จริงๆเนี่ยมันก็คงจะรักษาชีวิตของมันไว้ได้ป้องกันชีวิตมันจากความแก่ความตายได้แต่มันก็ป้องกันไม่ได้แต่มันจะป้องกันคนอื่นแม่ตายได้ยังอันนี้ก็เป็นความจริงที่เห็นกันตรงๆแต่เอาขยิงใจเราก็ยอมรับความจริงตรงนี้ไม่ได้ นั้นปัญหาตรงนี้ที่จริงมันเป็นปัญหาชีวิตกับความตายสรุปทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันเป็นการสรุปว่าชีวิตกับความตายวันรรมโอเทศสี่ข้อที่จริงเป็นเรื่องที่น่าน่าสนใจเพราะถ้ากว่าเราทําความเข้าใจกับเขาสามข้อแรกท่านลองสังเกตว่าเป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตา ข้อที่สีนั้นเป็นเรื่องของกิเลสก็หมายความว่าเป็นเรื่องของทุกข์ประสาทกับเรื่องของสมุทัยประสาทมันเป็นสัจจะคือความจริงที่ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นได้เคยเป็นมาแล้วอย่างไรก็ลังเป็นอยู่อย่างนั้นและจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปชีวิตสั้นอี่สั้นอย่างหนึ่งก็คือเราเทียบ ชีวิตของคนที่มันสั้นยาวแตกต่างกันนั่นอย่างหนึ่ชีวิตเราไปเทียบกับชีวิตสัตว์บางชนิดสัตว์มันอายุยืนกว่าเราแล้วก็สัตว์บางชนิดที่บอกอายุยืนอายุยืนนี่เทียบกับอายุของเทวดามันก็สั้นกว่าเทวดาแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นอายุท่านยืนจะเทียบกับเราหยืดมาก ดีนจุดนับกันไม่หวาดไม่หวแต่พอเทียบกับอายุเราปรากฏว่าอายุเราสั้นกว่าทาั้งหมดแล้วอายุกันเทวดาฉันจะตูมมาไา้ก็สั้นกว่าดาวันดึงเทวดาชั้นดาวบันดึงก็สั้นกว่าชั้นยามเทวดาชั้นหยามก็สั้นกว่าดุสิตฉันเทวดาชั้นดุสิต ก, ก็สั้นกว่านิ ม, มานาดีนิ ม, มานาดีก็สั้นกว่าปรินิมิตวสวัตดี ไป น, นินิดแต่วสวัสดีมันก็น่าจะยาวมากแล้วนะครเพราะว่ามันเป็นการมาพบสูงสุดโอ้มันก็สั้นกว่าพวกรมตังเยอะแยะไปหมดแต่แล้วชีวิตมันจะสม้นในขณะที่เราเพลิดเพลินอยู่เนี่อย่างที่พระเจ้าทรงแสดงว่ากำลังเพลิดเพลินอยู่กับบ่วงของมาเนี่ยมธุราชก็ามาล้างทาร์ชีวิตให้ตายไปแล้ว เราเพลินเก็บดอกไม้ของมานเพลินด้วยรูปเพลินด้วยเสียงเพลินด้วยกลิ่นเพลินด้วยรสเพลินด้วยสัมผัสในบวกมานพวงดอกไม้แห่งมานเครื่องผูกแห่งมานที่มาร้อยรัดร้อยรึงจิตใจของบุคคลหน่วยแล้วก็จบลงด้วยการแตกทําลายของชีวิตต่นั้นประเด็นตรงนี้พระเถระก็กล่าวไว้หลายประเด็น แต่เปเด็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องธรรมชาตินะฮะเป็นเรื่องธรรมชาติเราจึงเห็นอย่างหนึ่งว่าธรรมะที่จริงก็คือกฎของธรรมชาติเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาที่ทรงสแสดงนั้นเป็นเรื่องของที่ท่านแสดงนั้นเป็นเรื่องของทุกประสัตว์กับสมุทรใสัตว์ จึงมีความเกี่ยวข้องผูกพันกันอยู่แล้วก็แยกกันไม่ได้นะเพราะเขาเป็นเหตุปัจจัยสิ่งกันแล้วกันชีวิตของเราก็เป็นอย่างนี้เองต้องฟังทลายเสียงธรรมจากมารมิตรลัยศรีปฐุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในสุดนี้ขอความเจริญงอกรรมไปบูรณนธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทลายโดยทว ก, กันสวัสดี